ธรรมบทแปลเรื่องที่159เรื่องปราชัยของพระเจ้าโกศล้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปรารบความปราชัยของพระเจ้าโกศลตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าเจอยังเวรังเป็นต้นตอนอาแพ้หลาน ได้ยินว่าพระเจ้าโกศ น, นั้นทรงอาศัยกาศิกคามรบอยู่กับพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้เป็นพระเจ้าหลานอันพระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นให้แพ้แล้วสามครั้งในครั้งที่สามทรงดำริว่าเราไม่อาจจะยังเด็กซึ่งมีปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมให้แพ้ได้ประโยชน์อะไร ด้วยความเป็นอยู่ของเราเท้าเธอทรงตัดพระกรยาหารสเสด็จพระธมบนประแทนครั้งนั้นความเป็นไปอันนั้นของเท้าเธอกระฉ่อนไปทั่วพระนครภิกษุทั้งหลายกราบทูลแด่พระตถาคตว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้ยินว่าพระราชาทรงอาศัยกาศิกคาม อันพระเจ้าอาชาติศัตรูให้ทรงปราชัยแล้วสามครั้งบัดนี้เท้าเธอทรงปราชัยกลับมาแล้วทรงตัดพระกรยาหารพระธมบนพระแทน่นด้วยทรงดำริว่าเราไม่อาจจะยังเด็กซึ่งมีปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมให้แพ้ได้ประโยชน์อะไรด้วยความเป็นอยู่ของเรา พระสัสดาทรงสดับระถาของภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม้ผู้ชนะย่อมก่อเวรฝ่ายผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์เหมือนกันดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าเชยังเวรังปศวติดุขขังเซติป ร, ราจิโตอุปสั้นโตสุขขังเซติ ฮิตวาเจะยะปาราชยังผู้ชนะย่อมเก่อเวรผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์ผู้สงบพระงับละความชนะและความแพ้ได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าชยังความว่าผู้ชนะผู้อื่น ย่อมกลับได้เวนบทว่าป ร, ราชิโตความว่าผู้อันคนอื่นให้แพ้แล้วย่อมอยู่เป็นทุกข์คือย่อมอยู่ลำบากในอิริยาบถ ท, ทั้งปวงทีเดียวด้วยคิดว่าในการไรเล่าหนอเราอาจเห็นหลังของปัจจามิตรบทว่าอุปสันโตความว่าพระขีนาศพ ผู้มีกิเลสมีราคาเป็นต้นในภายในสงบระงับละความชนะและความแพ้ได้ย่อมอยู่เป็นสุขคือย่อมอยู่สบายแท้ในอิริยาบททั้งปวงในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่อง ปราชัยของพระเจ้าโกศลจบ